อันนั้อย่างที่ที่เราเจริญในเมตตสูตรว่าอันนั้เจริญกรุณาไปในโลกทั้งสิน้นทั้งเบื้องบนเบนืบ้องต่ําเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะผู้ที่เจริญกรุณาอย่างให้ยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีปราศจากความง่วงความซึมเป็นต้นเพียงใดก็มีใจประกอบไปด้วยกรุณาอยู่เพียงนั้นเนี่ยนะทั้งทุกๆอิริยาบถเจริญไปในทั่วทุกทิศทุกหนทุกแห่งมีใจประกอบไปด้วย การุณาไม่มีนะสัตว์เหล่าใดที่จะอะกรุณาจะไม่เข้าไปสัมผัสหวังปลดเคลื้องหวังให้เขาพ้นจากทุกทั้งปวงเนี่ยนะก็ถือเอาการุณาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เจริญ น, นะเพราะว่าการุณานี่ก็นับว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดบาปอากุศลธรรมอันเศร้ามองชั่วร้ายทั้งหลายออกไปได้ทีนี้ก็มีใจประกอบด้วยอุเบกขาเนี่ยน ะ, ะมุทิตาต่อไป อันนักระวมมีใจประกอบไปด้วยมุทิตาบันเทิงต่อสมบัติทั้งหลายของสัตว์อื่นไม่มีใจริษยา อนุโมทนายินด ja. AH ีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขดีใจกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขกายสุขใจเนี่ยนะดีใจกับสัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขดีใจด้วยนะกับสัตว์ทั้งหลายที่พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตบันเทิงใจมีความสบายใจพอใจเต็มใจมีความสุขที่เขาพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจพ้นจากทุกโศกโรคภัยและอันตราย ทั้งปวงนี่นะร่วมบันเทิงกับเขาที่เขามีความสุขร่วมบันเทิงกับเขากับผู้ที่เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดีใจร่วมกับเขามุทิตากับเขาไม่รู้สึกรฤติษยาเป็นต้นเนี่ยนะก็เจริญเมตตาอย่างเออเจริญมุทิตามีใจร่วมบันเทิงในความสุขสมณะกับเขาไปในที่ที่ ที่ดก็คือแปลว่าเจริญอย่างนี้ไปในทิศเบื้องบนเบนืบ้องตามเบื้องคว้างไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะมีใจประกอบไปด้วยมุติตาที่ไพ่บู์บริบูรณ์เต็มที่มีจิตเป็นมหคัตมะมีสัต ว, ไตว์ไม่มีประมาณเป็นอารมณ์บันมุติตาอย่างเนี้ไปในสัรพสัตว์ทั้งมวลไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนเจริญมุติตาอย่างเนี้ไปใน โลกทั้งปวงมีใจโอบอ้อมเสมอในสรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยเมตตาไปในทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่ำเบื้องขวางอย่างเนี้ยตลอดไปเจริญไปในทั่วทุกทิศเจริญมุทิตาอย่างนี้เนี่ยนะทั้งเช้าสายบ่ายค่ําเย็นกลางวันกลางคืนตลอดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ ข, ตยข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยนะเจริญตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีแล้วก็เจริญอย่างเนี้ยผือเป็นพื้นเป็นบาทเนี่ยนะ ให้จิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับเมตตามัง่งตั้งมั่นอยู่กับกรุณาตั้งมั่นอยู่กับมุทิตาเสร็จแล้วก็เจริญอุเบกขาเพื่อพัฒนาให้คุณภาพจิตอยู่ในระดับสูงต่อไปว่า น, นะเจริญว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะมีกรรมเป็นของของตนน้อมไปจะพิจารณาว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่มีความสุข ก็ปรารถนาให้เขามีความสุขปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์ยินดีประที่ให้ที่เขาทั้งหลายมีความสุขและพ้นทุกข์แต่ถึงอย่างไรก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของของตนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรดีหรือชั่วบุญหรือบาปเลวหรือประนีตกุศลหรืออกุศลเขาจะต้องได้รับ สเสวยสเสวยวิบากตามสมควรแก่กรรมที่เขาทํามาเขาจะได้รับความสุขก็สมควรแก่กรรมที่เขาทํามาเขาจะพ้นไปจากทุกข์ก็สมควรแต่กรรมที่เขาทํามาเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากก็สมควรแก่เหตุที่เขาทํามา สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอย่างนี้เนี่ยนะก็ใส่ใจมณสิกามด้วยอุเบกขานิมิตว่าทุกคนมาด้วยกรรมของตนสัตว์ทั้งหลายมาด้วยกรรมของตนสัตว์ทั้งหลายจับไปด้วยกรรมของตนอนะสัตว์ทั้งหลายถ้าประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจเรตก็ตักสมควรแก่สุจริตของตนถ้าประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็เดือดร้อนลําบากทุกทรมาน ต, ตามสมควรแก่ <c oughs> เจตนาของตนเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนสัตว์เลวสัตว์ประนีตได้ดีตกยากเป็นตน้นก็ตามสมควรแก่กรรมก็เจริญความเป็นอุเบกขาอย่างนี้ไปในทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่ําเบื้องก้างไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูน้อมไปด้วยความตั้งใจไว้อุเบกขาในสัพพะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มณสิการด้วยจิตที่เป็น อุเบกขาพันผู้ที่เจริญพรหมวิหารทั้ง4ประการเนี่ยนะสามารถเลือกที่จะเจริญในสมัยว่าน้อมไปเจริญเมตตาเวลาใดก็เจริญได้น้องไปเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาเพราว่าเป็นคู่ที่มีที่อยู่เปรียบเหมือนคนมีบ้านสี่หลังเนี่ยนะบ้านแต่ละหลังพรมหมเมตตารพรหมวิหารก็เหมือนกับปราสาทราชวังอีกหลังหนึ่งอกากรุณาก็เปรียบเหมือนปราสาทราชวังอีกหลังหนึ่งมุทิตาก็เปรียบเหมือนกับปราสาทราชวังอีกหลังหนึ่ง อุเบกขาก็เปรียบเหมือนปราสาทราชวังอีกหลังหนึ่งที่ไม่ตกไปตายใต้อันอันตรายคือน้ำไฟหรือโจรเป็นต้นเนี่ยนะฉันใดเมตตาทั้งหลายพรหมวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่ที่อยู่อันประเสริฐที่ไม่เป็นอันตรายเนยนะเครื่องอยู่อันประเสริฐที่ไม่ไม่อะไม่เป็นอันตรายก็อาศัย กรุณาเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นใจที่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่ใช่เป็นใจที่แห้งแลแ้งเป็นใจที่ไม่มีที่นั่งเนี่ยนะคนที่มีพรหมวิหารอยู่ภายในจะนั่งก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขจะหลับก็เป็นสุ ข, จ ะ, สขจะฝันก็ฝันอย่างมีความสุขสีหน้าเป็นต้นก็ผ่องใสจิตใจก็ตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะแล้วก็ไฟสาตรายาพิษเป็นต้นก็ไม่กล้ากลายเพราะอนุภาพแห่ง คุณธรรมทั้งหลายคือเมตตาที่มีอยู yes. ่ภายในใจเพราะคุณธรรมทั้งหลายคือกรุณาที่มีอยู่ภายในใจเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาทั้งหลายที่มีอยู่ในใจคุณธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในใจอันนี้แหละที่ทําให้อยู่ด้วยความสุขกายสุขใจเนี่ยนะทำให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงก็เครียกว่าเดินก็เดินเหมือนพรหมยืนก็ยืนเหมือนพรหมเนี่ยนะนั่งก็นั่งแบบพรหมนอนก็นอนแบบพรหมเพราะนั่งด้วยเมตตา นั่งด้วยเมตตานั่งด้วยกรุณานั่งด้วยมุทิตานั่งด้วยอุเบกขาเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอาสนะพรหมอ น, น, นัอาสนะพรหมคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขายืนก็ยืนด้วยอาสนะพรหมยืนด้วยเมตตาด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขานอนก็นอนด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะเขาเรียกว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็นอนด้วยพรหมมิหารธรรมทั้งหลาย พระองค์เปรียบเทียบว่าเหมือนสะบัวที่มีน้ำใสยเยจืดแล้วก็เย็นสนิทขาวสะอาดมีท่าลงที่ราบเรียบเรียกว่าเหมือนกับมีสะพานลงอย่างดีเนี่ยนะมีมีชั้นอ่าบัขั้นบันไดลงเป็นอย่างดีควรแกการรื่นรม่นะอะ่ถ้าไปบางแห่งเนี่ยนะไปบางแห่งเนี่ยก็มีสระน้ำเนี่ยนะที่ที่เดินลงเหมือนขั้นบันไดจะเดินลงในทิศไหนก็ได้ในสีทิศเนี่ย เป็นน้ำใสน้ำเย็นน้ำลึกกว้างเนี่ยถ้าบุรุษจะมาจากทิตะวันออก อันความร้อนกระวนกระวายครอบงําแผดเผาเหนื่อยยากลําบากหิวกระหายบุรุษนั้นมาถึงสระนั้นก็ทําความกระหายน้ําและความกระวนกระวายให้เสื่อมสูญได้ชันใดจะหิวมาจากทิศตะวันออกจะเร่าร้อนเดือดร้อนหิวอดอยากมาจากทิศตะวันออกมาลงสู่สระน้ําก็สบายจะหิวจะเดือดร้อนกระวนกระวายมาจากทิศตะวันตกมาสู่สระน้ําก็เย็นสบายจะมาจากทิศเหนือหรือมาจากทิศใต้ ถึงจะถูกความเร่าร้อนกระวนกระวายแผดเผาเหนื่อยกายเหนื่อยใจขนาดไหนก็ช่าง <Yeah. S 1> น, น, นะพอมาถึงสระน้ำก็มีแต่ความสุขสงบแล้วก็เย็นสบาย ฉัน้นใดดูก่รภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่ากุลบุตรออกบวชจากตระกูลกษัตริย์บวชมาเป็นบนรรพชิตภิกษุทั้งหลายนั้นอาศัยธรรมวินัยที่ตักถาคตประกาศแลว้วเจริญมิตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาได้ความสงบประงับในภายในขันตสันดานเราก็กล่าวบรรพชิตนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ความเป็นสมณะเนี่ยนะ เป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างเหมาะสมแล้วสมควรแล้วนี่แหละข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะที่เหมาะสมสมควรก็คือการเบื้องแรกกําจัดสิ่งที่ควรกําจัดออกไปเนี่ยนะกำจัดอภิชากําจัดพยาบาทกําจัดความโกรธกําจัดความผูกโกรธกําจัดความลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีโอ้อวดมีมายากําจัดความปรารถนาที่ชั่วด้วยจิตที่เป็นบาปปราบกำจัด มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเสร็จแล้วก็อยู่ด้วยเมตตานี่ยนะยืนด้วยเมตานั่งด้วยเมตานอนด้วยเมตตานะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนด้วยเมตตาแผ่เมตตาอย่าเราเนี่ยไปในทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่ําเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูหรืออนะหรื อ, รอไม่ก็จเจริญกรุณานี่นะ จเจริญกรุณาเนี่ยนะที่ปรารถนาะขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายพ้นจากความามีเวรมีภยัยเป็นต้นให้มีแต่ความสุขเกษมปลอดภยัยผู้ที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ผู้ที่มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจเจริญกรุณามุทิตาแล้วก็ใส่ใจว่าสาัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะให้จิตนิสงบประงับมีจิต เ, เป็นจิตที่มีเครื่องอยู่คือเมตตา เป็นจิต ท, ที่มีเครื่องอยู่คือการุณามีเป็นจิต ท, ที่มีเครื่องอยู่คือมุทิตาแล้วก็อุเบกขาเปรียบเหมือนคนที่มีปร า, าสาทสี่หลังเลือกจะอยู่ปร า, าสาทหลังไหนก็ได้อย่างสุกายแล้วก็สบายใจสุขเกษมแล้วก็ปลอดภัยทุกเมื่อเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชแล้วมาเจริญพรหมวิหารธรรมทั้งสีจะมาจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรจะบวชมาจากตระกูลไหนก็ตาม เข้ามาอาศัยธรรมวินัยคือการกำจัดสิ่งที่มีโทษมาเจริญเมตตาเป็นต้นเจริญพรหมวิหารทั้งสี่มีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาได้ความสงบประงับใจในภายในเราก็กล่าวว่าฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่ความเป็นสมณะเพราะสงบสงบระงับอะไรเพราะเป็นสมณะที่สงบระงับอภิชชาได้ สงบประงับความพยาบาทได้ปฏิบัติแล้วสงบประงับความโกรธได้ประพฤติปฏิบัติสงบประงับความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตรนีความมีมายาความโอ้อวดความปรารถนาที่ชั่วแล้วก็บาปอกุสรธรรมทั้งหลายนี่แหละจึงประจับปฏิบัติเรียกว่าสมควรแก่สมณะ ถ้าว่ากุลบดผู้ออกบวชมาจากตระกูลกษัตริย์ก็ตามจะบวชมาจากตระกูลพราหมกก็ตามตระกูลแพทย์ก็ตามตระกูลสูตรก็ตามหรือมาจากตระกูลเหล่าไหนก็ตามเมื่อเธอบวชอย่างนี้แล้วเธอก็ทำเจโตวิมุตตความหลุดพ้นทางใจและปัญญาวิมุตตความหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตก็เป็นชื่อของ สมมาทิฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเธอทำอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคด้วยอํานาจอำนาจที่คว่เคียงคู่กันไปด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะ เป็นอริยมรรคที่ปราศจากอาสวะไม่มีอาสวะเนี่ยน ะ, ะผลของอริยมรรคทั้งหลายเหล่านั้นก็คืออริยผลมีโสดาปฏิผลสกท า, าคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลเนี่ยนะโดยเฉพาะอรหัตตผลที่ไม่มีอาสวะสิ้นอาสวะทั้ง4ี่เพราะประจักษ์ด้วยอริยมรรคปัญญาที่รู้ยิ่งโดยลําพังของตนนีนะสิ้นกามาสวะภวาสวะทิฏฐสวะอวิชชาสวะเนี่ยนะ ทิ้นสิ้นกา ม, มาสะวะด้วยโซดาปฏิมักคปัญญาสิ้นภาะวะสวสิ้นภาวาสะวะและอวิชาสะวะด้วยอรหาัาหาตามักขปัญญาสิ้นสิ้นกา ม, มาสะวะด้วยอนาคามิมักขปัญญาด้วยลำพังปัญญาที่ประพฤติปฏิบัติด้วยความสามารถของตัวเองเข้าถึงพร้อมอยู่ในชาตินี้เรากล่าวบารรพชิตนั้นว่า เป็นสมณะเพราะสิ้นอาสะวะทั้งหลายมันความเป็นสมณะที่แท้เนี่ยนะเพราะสิ้นอาสะวะขะจัดบาปอากุศลธรรมออกทั้งหลายได้อย่างสิ้นเชิงนั่นแหละจึงจะสำเร็จความเป็นสมณะที่สูงสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าสมณะเธอก็ควรปฏิบัติเพื่อกำจัดอกุศลธรรมทั้ง12ประการเจริญสมถะคือไม่พรหมวิหารแล้วก็เจริญวิปัสสนาเจริญอริยมรรค เพื่อกระทําให้แจ้งความเป็นสมณะเมื่อพวกเธอปฏิญาณตนไปที่ไหนก็บอกว่าตัวคือสมณะเมื่อบอกว่าตัวเองเป็นสมณะเช่นนี้แล้วก็ควรปฏิบัติเพื่อกระจัดอกุศลธรรมอันเศร้ามองประพฤติปฏิบัติอยู่ในสมถะและวิปัสนาจึงจะคู่ควรแก่ความเป็นสมณะเนี่ยนะเมื่อเธอทั้งหลายได้รับสการะปัจจัยสี่ที่ทายกทั้งหลายเขาเอามาบูชาว่าบูชาสมณะทั้งหลายเธอก็ควรปฏิบัติเพื่อกําจัดอกุศลธรรมอัน เ้ามอง12ประเภทมาเจริญพรหมวิหารเป็นต้นเจริญสมถะ ว, วิปัสนาเคียงคู่กันไปจึงจะสมควรแก่เครื่องสักการะเพราะเครื่องสักการะของเขาทั้งหลายเหล่านั้นที่เขาเอามาบูชาเธอผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็จะมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากทีนี้ข้ อ, อเมื่อพวกเธอทั้งหลายเนี่ยนะบวชเข้ามาถ้าเธ อ, อประพฤติปฏิบัติขจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายทั้ง12ออย่างได้ น, นะประพฤติปฏิบัติ เป็นผู้ที่มีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัที่มีสุขมีสมาธิเจริญมิตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญสมถะและวิปั ส, สนาการบวชของเธอนี้ก็จะมีผลมาก จักมีอานิสงส์มากปัจจุบันก็อยู่ด้วยทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมจะยืนก็เป็นสุกจะนั่งก็เป็นสุกจะเดินก็เป็นสุกจะนอนก็เป็นสุกเป็นุขในทุกอิริยาบถจะอยู่ในบ้านก็เป็นสุกจะอยู่ที่ป่าก็เป็นุขเนี่ยนะก็ุขในทุกอิริยาบถุขทั้งปัจจุบันและต่อต่อไปเนี่ยนะปัาหากว่าผู้ที่ปฏิบัติุกได้อย่างนี้ก็ สุขอันนี้เป็นสุขที่ปราศจากพิษภัยและก็ทุกทุโทษเป็นสุขที่นํามาซึ่งประโยชน์นํามาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะบรรษัมณะทั้งหลายที่คู่ควรแก่ความเป็นสมณะก็ด้วยข้อปฏิบัติ ด, ดังกล่าวมานี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบลงพระพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เชื่นชมเนี่ยนะชื่นชมในพระสูตรทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ดีแล้วพระธรรมที่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ตามนี้จริงก็พ้นจากทุกข์มันผู้ที่ปฏิบัติตามนี้จริงก็เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็เพลิดเพลินชื่นชมอนุโมทนาในในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและหมู่พระเรียเจ้าทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติมันชื่นชมด้วยวาจาแล้วก็บันเทิงปราบเพื่มด้วยใจทั้งหลายเพราะท่านเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนกับอมตะธรรมคือคําสอนเนี่ยนะราดลดลงไปในใจของท่านทําให้ใจนั้นอยู่ด้วยความปราบเพื่มปีติแล้วก็ ปรามโมทวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ เ, เข้าถึงธรรมะที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีอริยาการตัดสินโดยทั่วนกันเนี่ยนะจะได้เป็นผู้มีอาบายทุกขติวินิบาตนรกอันปิดไว้แล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่แน่นอนที่จะได้ตรัสรูต้ต่อไปในอนาคตนอนมูมทนา